ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัเช้าเรื่องดับอะไรในทวารหบโดยพ่อท่านโพธิรักษ์ได้แสดงไว้เมื่อวันที่1มีนาคมพุทธศักราชส5 3 3ห้าณพุทธสถานปฐมอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นาปัดนี้ค่ะ ก่อนจะได้พูดอะไรแต่ออไรกันก็เกี่ยวกับชีวิตของพวกเรานี่แหละนะก็อ่านพระสูตรสู่กันฟังสะกก่อนนะฟังพระสูตรแล้วตมาก็ว่าไป ก, ก็สัมพันธ์กันกับพระสูตรพระพุทธเจ้าก็ตรัสรวมตัดยอดตรัดไอ้สิ่งที่มันเป็นยอดถึงขนาดบ่อนี่แหละเป็นลักษณะถเถอะว่าจิตวิญญาณหรือว่าญาณทัศนะ ความเข้าใจของคนเห็นจงเห็นแจ้งแล้วนี่ถึงขนาดนั้นขนาดนี้ท่านตรัสถึงข้อที่สุดสูงสุดอะไรต่างๆนี่ขึ้นไปแล้วมันก็รวมกันแล้วไม่มีอะไรนะอัตมาได้อ่านมาเรื่อยๆนะอยู่ที่สันติก็อ่านข้อ 147-148 เนอะ่เกี่ยวกับเรื่องของญาณปัญญาที่เห็นไตรลักษ์เห็นพระไตรลักษ์ เห็นนี่คว่าเห็นพระตรัยลักษ์เนี่ยมันไม่ใช่เห็นง่ายๆนะได้ตรด้ยตร ก, กะด้วยภาษาเนะด้วยความคิดนึกเราก็เข้าใจรู้จักอนิจจังเห็นอนิจจังเข้าใจอนนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็เข้าใจนะพูดกันก็เข้าใจอธิบายความหมายเข้าใจเข้าใจไม่เถียงเห็นจริงเห็นจริง ประวัาิไบรลักษ์ตั้งแต่รอบสั้นๆเล็กๆน้อยๆเราก็เห็นเอออะไรก็ไม่เที่ยงนะมันไม่เที่ยงเห็นอยู่ชีวิตเราเกิดมาเนี่ยมันไม่เที่ยงเนี่ยมันเคลื่อนไปอยู่เรื่อยๆมันเกิดมาแล้วมันก็ค่อยแก่ค่อยอะไรอะไรไปเรื่อยๆค่อยโตมาโตมาก็แก่ไปก็เห็นนะเห็นมาตลอดเวลาไอ้นั่นเกิดมาอย่างนี้ๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปบางสิ่งบางอย่างคิดว่ามควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ มันน่าจะเป็นไปนตามสูตรด้วยซ้ำนะเราควรจะเป็นอย่างนี้นตามสูตรว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่สองบวกสามเป็นห้าอะไรงี้มันก็มีสูตรมีอะไรอยู่อา้าวไม่ใช่ซะแล้วไม่เที่ยงแล้วสองบวกสามก็ไม่เป็นห้าผิดเพี้ยนไปได้สามบวกหก็ไม่เป็นเก้าผิดเพี้ยนไปได้บ้าง ก็ได้เห็นมาแล้วนะแต่พบความไม่เที่ยงต่างๆนาน า, นาเพราะว่ารายละเอียดจริงๆของมันมันขาดมันตกมันหล่น เ, climate, <maybe> เราก็เห็นว่าเราไม่ครบครัน <pair> ยนะยานปัญญาของเราไม่รู้ที่จริงมันมีมาแต่เหตุทั้งนั้นแหละเรารู้สึกว่ามันไม่เที่ยงมันก็มาแต่เหตุ MM? อย่างข้อบอกพร่องอะไรต่างๆนาน า, น า, นาที่บอกว่าสาบวกหเป็น9มันมันก็ต้อง9้าถ้าเพราะเหตุ ปัจจัยมันจริงๆแต่เราบางทีเราไม่รู้ว่าเหตุปัจจัยจรมันเกินมาก็หกก็มีไม่ได้ถึงหก็มีมาเกินมากกว่าสมก็มีไม่ได้ถึงสมก็มีบวกกันแล้วมันไม่ชั ก, กเป็น9บางทีมันเป็นสิบบางทีมันเป็น8อะไรก็แล้วแต่อย่างนี้เป็นต้นนะเรารู้ความไม่เที่ยงรู้ความทุกข์โดยเฉพาะญาณปัญญาที่เรารู้ความทุกข์เนี่ยเรารู้มากขึ้นนะ อาตมาอ่านข้อร้อยูดชื่นชมทุกข์ที่จริงแล้วอาตมาก็ไม่รู้ว่าพระบาลีว่าอะไรทีนี้ก็พูดไปอ่านไปแล้วก็มีคนไปเปิดพระบาลีดูก็บอกว่าอันนี้เป็นอภินันทะคำนี้นะที่เขาแปลในนี้ในพระตถาปฎดกแปลว่าเพลิดเพลินอันนี้พระตถาปฎิกฉบับย่อของคุณสุชีพนี่แปลคําว่าอภินันทะเนี่ยในพระบาลีว่าอภินันทะ แปลว่าชื่นชมในพระไปิฎกแปลว่าเพลิดเพลินที่บอกว่าผู้ใดชื่นชมตาหูจมูกลิ้นกายใจชื่นชมหรืออภินันทะนี่หรือเพลิดเพลินผู้ใดเพลิดเพลินตาหูจมูกลิ้นกายใจเพลิดเพลินหรือชื่นชมเนี่ยอภินันทะรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะ ธรรมารมที่จริงควรจะใช้ธรรมารมทั้งหมดธรรมะนี่ใช้แต่คําว่าโพธภิภพแล้วก็ธรรมะผู้นั้นชื่อว่าชื่นชมทุกข์หรือเพลิดเพลินทุกข์ผู้ใดชื่นชมทุกข์หรือผู้นั้นหรือผู้ใดเพลิดเพลินทุกข์ผู้นั้นเรากล่าวว่าย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์ได้ภาษาเหมือนกําปั้นทุบดิน เรากล่าวว่าก็หมายความถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกเรากล่าวว่าย่อมไม่พ้นไปจากทุกได้เพราะไปเพลิดเพลิน อ, อยู่ในทุกขชื่นชมอยู่ในทุกข์นี่แหะใกล้เคียงเข้มาที่อาตมาเคยบอกว่าที่จริงก็สุขนั่นแหละโลกียสุขนั่นแหละชื่นชมทุกขชื่นชมรูปชื่นชมเสียงชื่นชมกลิ่นชื่นชมรสชื่นชมสัมผัสมันก็ไอโลกียสุขใช่ไหมเราจะชื่นชม่ะ เราหลงรูปเราหลงเสียงเราอร่อยในรสในรูปในเสียง ใ, veis, ในกลิน่นในสัมผัสเราอร่อยเราก็ชื่นชมเราก็เพลิดเพลินเพลิดเพลินเนี่ยชัดกว่านะที่จริงเพลิดเพลินในรูปเพลิดเพลินในเสียงเพลิดเพลินในกลิ่นเพลิดเพลินในรสเพลิดเพลินผู้ใดเพลิดเพลินในสิ่งนั้นแหละผ mm ู้นั้นเพลิดเพลินทุกพระพุทเจ้าจะบอกว่านั่นแหละทุกมีอาการเพลิดเพลินกับสิ่งนั้นมีอาการเพลิดเพลินกับรูปรกลิ่นเสียงสัมผัส แต่นี้ก็เรียกโพธนะิพัฒน์ะโพธิพัธรรมารมณุธรรมะก็6จากทวารทั้ง6จากสิ่งที่มันเกิดจากทวารทั้ง6เนี่ยเสร็จแล้วเราก็มีอาการเพลิดเพลินด้วยอาการชื่นชมมีอภินันอภินันทะเนี่ยเราก็เกิดสภาพพวกนี้พระพุทธเจา้าตนตรัสท่านกล่าวว่าย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์ได้แต่ก่อนแต่ไรมาเราไม่เคย เราไม่เคยได้ศึกษาเราก็ไม่รู้เราก็อริสอร่อยไปเราก็เพลิดเพลินเราก็ชื่นชมสแสวงหาอย่างนี้ไปจนเรามาเรียนรู้แล้วเราก็ลดละบงังพอไปลดไปละมันบ้างมันก็ฟื้นออกฟื้นใจทีนี้เรียนรู้กิเลสล้วก็ลดละลงไปเกิดญาณปัญญาเห็นว่าเออมันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงล้อมันได้มันก็ไม่เที่ยงชื่นชมรูปเพลิดเพลินมันก็ได้เพลิดเพลินเที่ยงแท้ร้เพลิดเพลินเปครั้งเป็นคราวเพลิดเพลินก็ไม่เท่าเดิม บางครั้งก็รู้สึกว่ารสอร่อยมากบางครั้งก็รู้ึรสอร่อยไม่มากอไม่ได้เที่ยงแท่อะไรพอเราลดลงไปมันก็ยิ่งชัดใหญ่เลยมันไม่เที่ยงมาฝึกหัดรถละเลิกเอาไปแล้วไอ้ที่รถอร่อยหรือรถเพลินหรือรถชื่นชมอะไรพวกนี้มันก็หมดไปหมดไปแล้วเราก็ไม่เห็นตายดีซะอีกมันเกิดยานซ้อนขึ้นไปว่าโอ้มันก็ยิ่ง ทำให้เรานี่เบาว่างพ้นภาระไม่เป็นธาตุไม่เป็นทุกข์เห็นชัดว่ากิเลสมันมีจริงตัวหลงไหลอุปทานตัณหาอะไรต่างๆมันมีจริงนั่นแหละตัวอย่างนั้นอย่างนั้นเราเลิกลดมาด้วยเหตุด้วยปัจจัยอะไรให้ก่อรูปเหตุปัจจัยให้ก่อรถเหตุปัจจัยให้ก่อเสียงก่อสัมผัสอะไรก็อีกเราก็ยิ่งเห็นชัดเจนขึ้นไปว่ามันมีเหตุมีปัจจัยต่อนนึ่นงๆๆกั น, น, นไปเป็นอิทัิปัจจยตา เป็นเพราะอนั้นเหตุนั้นอย่างนั้นมันจึงก่อให้เราเกิดสภาพอย่างนั้นอย่างนั้นยึดติดอุปทานในตัวถือตัวยึดตัวติดอยู่อย่างนั้นอย่างนี้นะอุปทานนี่ยภาษาคาว่าอุปทานนี่อาตมายังพยายามนึกอยู่นะคำว่าคอนเซปต์เนี่ยมันก็เป็นอุปทานนะคือสิ่งที่เราเข้าใจอย่างนั้นนะยึดติดไว้อยู่อย่างนั้นนะอุปทานคอนเซปต์ Concept นี่ก็อุปทาน าภาษาอังกฤษเนีคอนเซปต์งี้เป็นต้นมันก็เป็นอุปทานหนึ่งที่เราไปยืดไปตีไปเห็นรวมเป็นค่ารวมรวมมาไว้ไปสังขารเอาไว้อย่างนั้นยึดหลงเอาไว้ว่ามันผลของความสรุปในนึกคิดอะไรด้วยว่าเราเชื่อถืออะไรอยู่เงั้นเราก็ติดอยู่อย่างงั้นน่ะจนเรามาเข้าใจว่า เ, ออเราไปเส ด, ดมันยึดหมายไปหลงไหลไปสมมุติติดอยู่อย่างงั้น จนเรามาทลายความที่ยึดติดอย่างนั้นไม่ต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้ไม่ต้องมีอย่างนั้นไปต้องเห็นเป็นอยู่อย่างเดิมอยู่อย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปเออเปลี่ยนแปลงไปได้แล้วกลับเบาว่างทลายอุปทานทลายคอนเซปต์นั้นเปลี่ยนไปไม่ต้องไปเป็นอย่างที่เราคิดเรานึกกันนั้นมันก็จะมีแบบใหม่รถใหม่ว่างเบาไม่ต้องไม่ต้องบมเรอ ไม่ต้องได้สมที่เรานึกเราคิดไม่ได้มอบมันเป็นจริงอย่างนั้นไม่ต้องมาเป็นจริงอย่างนั้นมันก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเราก็ได้รู้ขึ้นมาเรื่อยๆนะความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดปรากฏแห่งตาหูจมูกลิ้นกายใจและรูปอันนี้ความเกิดความดับแห่งทุกนะความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดปรากฏแห่งตาหูจมูกลิ้นกายใจและรูป เสียงกลิ่นรสผลิตัณฑธรรมะหรือธรรมารมคือความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ฟังดูละซ้อนอันนี้นะบอกว่าถ้าความเกิดของตาของหูหรือความปรากฏอยู่ความบังเกิดปรากฏความตั้งอยู่ของตาหูจมูกลิ้นกายใจและรูปเสียงกลิ่นรสผลิตัณฑธรรมารมคือความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ความตั้งอยู่แห่งโรคความปรากฏแห่งความแก่และความตาย ถ้าเราพาซื่อเราก็บอกโอ้มันยังมีความปรากฏอยู่ของตานะมันยังมีความปรากฏอยู่ของหูนี่พวกนี้มันคือความปรากฏด้วยความเกิดขึ้นของทุกข์นะอยากกันนั้นเลยที่ควักลูกตาทิ้งเถอะมันปรากฏอยู่นี่เนาะ น, นี่ถ้าพาซื่อแบบนี้เนี่ยธรรมา ก, ก็เคยพูดพูดอธิบายมันไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าพาซื้อตามภาษานี่แล้วแล้วก็ไม่อยากรอกนิพพานหน้าตามันก็เป็นบอกเกิดแห่งทุกข์ ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็เกิดกระทบแล้วก็ก็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนอกสัมผัสในอะไรอยู่เนี่ยมันเป็นตัวบ่อกเกิดด้วยว่าความตั้งอยู่ของทุกข์ของโรคความตั้งอยู่ของโรคหรือแห่งโรคความปรากฏแห่งความแก่และความตายเออตาเมื่อก็แก่หูเมื่อก็แก่จมูกลิ้นกายอะไรเมื่อก็แก่ขึ้นเหมือนกันแล้วมันก็จะตายอยากกันนั้นายรีบตายเถอะควักมันออกทิ้ง หูก็ตัดทิ้งทะลวงมันซะจมูกก็ขุดมันทิ้งซะลิ้นก็ตัดมันเจ้ามันจะได้หมดทุกข์มันจะได้ไม่ต้องตายอีกตายแล้วตายเลยถ้าพาซื่อแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ไปนิพพานนะอย่งนี้เป็นต้นในคําตรัสอย่างนี้เหมือน ก, กับเรื่องเวทนาสัญญาเขาบอกว่าสัญญาเวทยิจตานิโรธแล้วเขาก็แปลว่านิโรธแปลว่าความดับ สัญญาเวทยิตะเวทยิตะมาจากคําว่าเวทนาเขาก็เลยแปลว่าดับทั้งสัญญาทั้งเวทนานีสัญญาเวทยิตะดับตเวทนาดับทั้งสัญญานั่นแหละเรียกว่านิโรธเรียกว่าดับสิ้นเรียกว่าถึงที่สุดแห่งฌานสูงสุดเลยไปซ้ำสัญญาวาทิเวทยิตะนิโรธนี่เป็นตัวฌานเป็นตัวนิโรธนัตมาก็แย้งอย่างถึงภาษาอย่างนั้นก็ตามเวทยิตะที่จริงเนี่ยก็แปล รายละเอียดว่าให้เข้าเคลียอารมณ์ให้สัญญาเข้าเคลียอารมณ์นิโรธอย่างให้มีให้สัญญาเขาเ้ า, า, ญญ า, เขาไปเข้าเคลียอารมณ์ให้ละเอียดหมดจนถึงขั้นสัญญาญานิจานิจนกระทั่งเข็นมีสัญญามีการกำหนดรู้กันทวนทั่วถึงนิโรอธอาตมาว่ามันหมายความว่างี้นี่แหล ะ, ะแปลต่างกับเขาเขาถึงเอาว่าเราวิปริตอยู่เนี่ยแต่อาตมาว่าอาตมามีสภาวะ เอาความหมายพวกนี้พยัญชนะพวกนี้เขาไปกําหนดแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาหมายหรอกจะเป็นดับเวทนาดับสัญญาหมดเลยก็กลายเป็นอสัญญาเป็นคนไม่กําหนดรู้อะไรเป็นคนไม่รู้เวทนาอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยดับแบบฌานฤสีดับแบบนิโรธฤสีน่ะอาตมาก็ว่าอย่างนั้นไม่ได้เป็นทางของพระพุทธเจ้านะเขาก็เอาความหมายที่มัน ไปเคยไปเรียนรู้แบบฤาษีเข้ามาอธิบายกันมันก็เลยเพี้ยนไปเรื่อยๆเป็นปฏิรูปเป็นศาสนาที่เพี้ยนจากคำสอนพระเจ้าอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกันภน่พาซืออย่างนั้นไม่ได้เวทนาดับไม่ใช่เป็นดับเวทนาทั้งหมดขันห้าเราก็รู้ว่าเป็นทุก ข, ข์ันขันมีเวทนาอยู่เราก็รู้ว่าเป็นทุกขสุปาทิเ่เสสาทิพานทุกเพราะมันยังมีจริงมันจะต้องแก่มันจะต้องตายอยู่ละ แต่มันยังไม่ทันมันยังไม่ทันเป็นอะไรมันก็ต้องอาศัยเป็นเครื่องอาศัยมันยังมีอยู่มันยังไม่อนุปาทิเศ ส, ส น, นิพานธาตุมันยังไม่ตายดับหมดไม่เหลืออะไรเลยรูปก็ไม่เหลือดินน้ำไฟลมอะไรไม่เหลือเวทนาสัญญาสังขารอะไรไม่เหลือเป็นที่สุดปรินิพานก็แน่นอนมันก็ยังเป็นทุกทุกที่เรารู้อยู่เราเรียนมาแล้วในดีเราเรียนทุกสิบอย่างมาแล้วในดีนะ มันทําให้เรานี่รู้อะไรขึ้นอีกเยอะเลยไม่เลยเถิดไปจนกระทั่งกลายเป็นหานิพานไม่เจอเพราะว่ามันเป็นๆอยู่คนเป็นๆยังยังมีสภาวะการแก่เกิดแก่เจ็บตายอยู่สภาวะทุกข์หรือยังมีทุกข์ขันยังมีขันยังมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังมีขันห้าอยู่มันก็เป็นทุกข์ของขันที่มันมีของมันอยู่อย่างนั้นนะรูปมันก็ไม่เที่ยงรูปมันก็ทนอยู่ได้ยากในวัฏทุกข์ ร่างกายเนี่ยมันไม่เที่ยงมันทนอยู่ได้ยากจริงๆแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรหรอกเดี๋ยวมันก็แยกแตกสลายไปเวทนาก็เช่นเดียวกันมันเป็นนามธรรมแนะมันก็ไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ขันที่มันมีแม้จะตัดกิเลสไปหมดแล้วเป็นเวทนาบริสุทธิ์เป็นสัญญาบริสุทธิ์เป็นสังขารบริสุทธิ์เป็นวิญญาณบริสุทธิ์แล้วได้ชื่อว่าเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ตาม มันก็ยังเป็นทุกขขันที่เราเลี่ยงไม่ได้แต่เราก็ยังมีทุกข์อื่นๆอีกที่เรารู้แล้วว่ามันยังมีรูปนามขันธ์ห้าอยู่นี้มันยังมีทุกข์แต่ทุกขอริยสัจทุกที่เรารู้ว่าสมุทัยคืออะไรกิเลสตัณหาอุปาทาหรือโลกโกรธลงเราเรียนรู้มันจนหมดจนสิ้นดับสนิทหมดมันไม่เกิดเลยเมื่อมันไม่เกิดเลยแล้วเราก็ยังก็รู้แล้วว่าไอ้ทุกข์อย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าท่านหมายว่ามันดับสนิทเวทนา ที่เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอย่างโลกีเราก็รู้จนกระทั่งเราเห็นชัดรู้ชัดเดาดับมันหมดไม่มีเวทนาที่เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาแบบโลกียะเวทนาเป็นความรู้สึกที่มันเออมันก็เป็นแบบลักษณะของอุเบกขาเวทน า, าหรืออุทุกขมสุขไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุขอย่างที่แต่ก่อนเราเคยรู้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขอย่างนั้นว่างๆอุทุกขมสุขหรืออุเบกขาอ่า เป็นเวทนาอย่างหนึง่งแต่มันก็ไม่ใช่เวทนาที่มีลักษณะโลกียะแล้วเหนือโลกียะแล้วเป็นลักษณะที่เวทนามันรู้สึกรู้ว่ามันว่างเบาไม่ได้เบิเบ่มเรอไม่มีสุขไม่มีทุกข์อย่างโลกีสนิท ด, ดับโลกิยะสนิทถ้าจะเวทนาก็เวทนาโลกิยะดับสนิทใช่สัญญาก็สัญญาอย่างโลกียะ กำหนดรู้ว่านี่โลกียะกำหนดรู้ว่านี่อย่างโลกียะมันเป็นอย่างนี้นะนี่โลกียะหรืออย่างโลกียะเป็นอย่างนี้อย่างลกโลกเป็นอย่างนี้กำหนดรู้ไอ้นี่ไม่มีแล้วไม่ได้กำหนดกำหนดว่าเราเองเราแน่นอนแล้วว่าอย่างโลกโลกนี่มันเที่ยงและไม่มีแล้อย่างโลกโลกไม่มีเที่ยงแท้แน่นอนแล้วไม่เกิดอีกไม่มีอาการไม่มีอารมณ์อย่างลกโลกเราก็กําหนดรู้อย่างนี้เป็นต้น สัญญาที่กําหนดรู้เป็นญาณแล้วสัญญานี่เป็นญาณทัศนวิเศษแล้วกําหนดรู้ชัดสังขารจะปรุงโดยเจตนาโดยความมุ่งหมายโดยความมุ่งมา่นปรุงจะปรุงเพื่อคนอื่นไม่จะปรุงเพื่อบําเรอตนไม่ใช่ปรุงให้ตนเองเนี่ยเป็นสุขอย่างโลกีอีกแล้วแล้วก็ไม่ได้ทุกข์เพราะเรา อ, อยากจะปรุงมาบําเรอตน ไม่มีความต้องการบำเรอตนพระสังขารต่างๆนั้นนาเป็นเจตนาหรือว่าเป็นอากงขาววจรเป็นอิชาวจรเป็นตัวความปรารถนาดีความต้องการดีๆที่จะรังสรรค์ที่จะมีชีวิตอยู่อย่างพระหุชนหิตายะผูชนะสุขายะโลกาณุ ก, กรรมปายะอยู่เพื่อที่จะสร้างคุณค่าประโยชน์แก่ชนแก่ผู้อื่นเขามาอีกมากมายมีความสุขอยู่เพื่อที่จะสร้างความสุขและเป็นสุขที่ลึกซึ้งเลยนะ สร้างความสุขให้แก่ประชาชนมากมายแม้แต่ในรฐานนะบางฐานนะเราก็เออก็ช่วยเขาได้นะเราก็ให้เขามีสุขไปตามฐานะของเขาบ้างก็สุขจะไม่เหมือนเราเราได้ควารับความสุขที่สูงส่งกัดีเราก็ช่วยเขาไปเป็นผู้อนุเคราะห์โลกโลกานุกรรมป่ายะโดยตนเองนั้นน่ะไม่ขาดทุนตนเองนั้นมีความขยันมันเพียรมีความสามารถสร้างสรรค์เกื้อกูล ช่วยเหลืออยู่คุ้มตัวคุ้มทุนนะเป็นคนที่เกิดมาไม่เป็นหนี้มีแต่กําไรมีแต่ได้ให้ได้ให้ได้เสียสละได้สร้างสารรค์เกื้อกูลเขาอยู่จริงๆเลยอย่านลวงคุณ น, นี่มันจะลึกซึ้งไปเป็นขัน้นเป็นตอนคุณฟังนี่คุณเข้าใจ <c oughs> คนที่ฟังดีๆขณะ น, นี้เข้าใจทั้งนั้นเพราะว่าไม่มใช่เรื่องยากอะไร แต่ว่ามันก็ยังมีกิเลสเราจะรู้ว่ามันมีกิเลสมันยังทําไม่ได้ตลอดมันยังทําไม่ได้อย่างง่ายมันยังทําไม่ได้สมบูรณ์ฝึกไปเราก็ยิ่งได้ไปเรื่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆได้ของจริงไปเท่าใดเท่าใดคุณก็จะรู้ความจริงความจริงนี่แหละเราเรียกวิาญาณรู้ความจริงตามความเป็นจริงมาแปลเป็นไทยไว้เงินมาแปลเป็นภาษาไทยเั้นอัตมาว่าเขาแปลไว้ชัดนะรู้ความจริงตามความเป็นจริง เราเป็นเรามีเราได้แล้วเราก็รู้ในตัวเราเนี่ยว่าเราได้เรามีเราเป็นไม่ใช่แต่มีแต่เหตุผลมีแต่ทฤษฎีมีแต่ความหมายเรียนรู้เข้าใจเฉยๆไม่ใช่ไม่ใช่เข้าใจเฉยๆมันเข้าถึงมันถึงสภาพนั้นแล้วมันได้สภาพนั้นแล้วมันเป็นสภาพนั้นแล้แลวเราก็เห็นสภาพนั้นอยู่ชัดๆหลัดหลัดทนโท้เลยเห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันนั่นเทียวว่ามีสภาวะรองรับเป็นนามธรรมา จะมีมากหรือมีน้อยนี่คุณจะต้องมีของตนนะ่ะมาฟังอาตมาหลอกไม่ได้มาฟังอาตมาพูดเฉยเฉไม่ได้นะถ้าพูดอย่างนี้คุณฟังเหตุผลมันน่าเชื่อถือเสร็จแล้วคุณไม่เคยได้ไม่เคยเป็นไม่เคยมีเลยคุณก็ได้แต่เชื่อถือเฉยเฉยดีไม่ดีเชื่อถือทฤษฎีหรือเชื่อถือหลักการที่อาตมาบอกความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้เลยคุณคไม่เคยเป็นไปได้เลยคุณก็ถูกหลอกเท่านั้นนี่ถ้าเผื่อว่าไอ้สิ่งนี้มันหลอก แต่คุณเห็นเหตุเห็นผลอู้น่าเชื่อถือเหลือเกินเหตุผลนี่แล้วคุณก็หลงเชื่อถือตามแต่ความจริงคุณปฏิบัติไม่เคยได้เลยนะไม่เคยเป็นไปได้ตามที่ว่านี่สักทีเลยแต่เชื่อหลักการนี้เหลือเกินนะเชื่อถือทฤษฎีนี้เหลือเกินแต่ปฏิบัติแล้วไม่ได้นานเข้า น, นานเข้าคุณ ก, ก็ถูกหลอกเท่านั้นเพราะเป็นไปไม่ได้แต่มาบอกเราความจริงนี่มีหลักสําคัญตัวเป็นไปได้นะี่สำคัญมากนะเคยย้ายืนยันมากมายหลายที น, นอกจากจะเป็นสิ่งที่ดีสัจธรรมนี่จะต้องมีเงื่อนไขหลักอยู่ว่าดีนะดีหรือประเสริฐนะเป็นประโยชน์คุณค่าต่อมนุษยชาติอย่างแท้จริงประโยชน์ในระวังนะประโยชน์บางทีเนี่ยหิวเหล้าเอาเหล้ามากินก็ว่าเป็นประโยชน์นติดฟินเอาฟินมาสูบก็ว่าเป็นประโยชน์อะไรไม่งั้นมัมีกําลังพราะที่สูบฟินมันมีกําลังนะนึกมันเป็นประโยชน์ใช่ไหมแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงยนะพวกสิทสูบฟินเนี่ยเขาว่าเขามีกําลัง อย่างนี้เป็นต้นงานในเรื่องของคุณค่าประโยชน์ในเรื่องของดีหรือประเสริฐเป็นเงื่อนไขนั้นก็ตามอัตมาแถมอีกอันนึงสัจจะแต่ก่อนนีข้ขยายความอยู่แค่ ส, สามเงื่อนไขที่นี้มีสีเงื่อนไขอีกเงื่อนไขนึงนี่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกขหมดทุกขหรือ น, นิพพานเป็นไปเพื่อความวิมุตินิพพานด้วยนะความจริงสัจจะเนี่ยนอกจากจะดีประเสริฐแล้วก็เป็นประโยชน์คุณค่าแล้วยัง พ้นทุกข์หรือนิพพานนะไม่ใช่พ้นทุกข์แบบโลกียะนะอยากได้สวยก็ได้สวยมาสมใจมันก็พ้นทุกข์เหมือนกันแต่พ้นทุกข์แบบนั้นไม่ใช่นิพพานพ้นทุกข์แบบโลกียะโลกๆนี่พ้นทุกข์แบบนิพพานเลยนะสามเงื่อนไขนี่ยังไม่พอเป็นไปได้ อาตมาย้ำตรงสัจจะความจริงด้วยว่าความจริงคืออะไรความจริงคือความดีความประเสริฐความเป็นประโยชน์คุณค่าต่อชีวิตความพ้นทุกข์เป็นนิพพานต้องกากับด้วยนะว่าพ้นทุกข์นี่เป็นนิพพานไม่ใช่พ้นทุกข์แค่บัมเบอไม่ใช่โลกียะแต่เป็นโลกุตระเป็นความพ้นทุกข์ด้วยเลยว่าสัจจะสัจธรรมยังไม่พอาม สเงื่อนไขนี้ยังไม่พอต้องมีเกื่อนไขสําคัญอีกคือเป็นไปได้มนุษย์ต้องเป็นไปได้ถ้ามนุษย์เป็นไปไม่ได้ไม่ถือว่าสัจจะละเมติตรกศาสตร์มีแต่ความนึกคิดมีแต่เหตุผลมีแต่เรื่องปรัชญาอะไรไปหมายลึกซึ้งฟังลราเพ้อเลยฟังเราบรรหร้หราสุนทรีบูบาบูบาเดี๋ยวนี้มีนักสุนทรีเยอะเป็นนักกวีเป็นนักคิดนักอะไรเพอ้อเขียนขาย เขียนเอาเรื่องเอาชีวิตเอาเขียนเอาเกียรติเอายศเอาราบได้เยอะแต่ทำไม่ได้นะฟันเฟืองไปนั่นโดยเฉพาะคนเขียนเองเน่ยยังทำไม่ได้ไม่ต้องเอาอะไรไม่ใช่เอาคนอื่นนอนะหรือแม้เราจะเป็นนักคิดนักเขียนแต่เราไม่เคยได้เลยเอาไปคนอื่นก็ทำได้แล้วแหมมันหน้านะโอ้คิดสารพัดชั้นสูงวิเศษเลยนะเราคิดได้นะแต่เราทำไม่ได้คนอื่นเราไปทำได้ โอ oh. จะมองไปในแง่ว่าดีกว่าดีเหมือนกันนะตีงูให้กากินดีเหมือนกันตนะีงูให้กากินอนะตัวเองไม่ได้แอมอะไรลัก แ, แต่คิดแต่เขียนอะไรอะไรไปที่จริงเขได้นะเขาได้ลาบยอดชัเสริญที่คิดที่เขียนในลายลาบยอดชั้นเซิร์นเ่นลาบมาเลี้ยงตัวบางคนร่ารวยบางคนมีเกียรติมียศโอ้ได้เป็นจอมกวีได้เป็นจอมปราดได้เป็นอะไรอะไรหลายสารพัดได้ ก็ได้เหมือนกันไม่ใช่ไม่ได้แต่เขาไม่ได้นิพพานโอข้อคิดเป็นโล ก, กุตระเป็นนิพพานนะหลักทฤษฎีปรัชญาอะไรเป็นนิพพานนะแต่ตัวเองไม่ได้สิ่งนั้นแต่ตัวเองได้ลาบยศเสนโลกีได้เป็นได้โลกีนะีนะแล้วก็ไปหลงไหลได้ปลื้มอยู่กับโลกีโดยซ้ำไปโอ้ชวยนะข้อคิดของตนเองเนะี่ยเป็นโล ก, กุตระแต่ตัวเองได้รับเละคือโลกิยาอ่ มันน่าสมเพชเวทนาไหมตัวเองน่ะปั้นอะไรรู้ไหมปั้นเพชรปั้นเพชรขึ้นมาสวยคนก็เลยไปเอาไปทําตามเขาก็ไปทําตามสูตรตัวเองเนี่ยได้เพชรตัวเองไม่ได้แอมเพชรหลักตัวเองกําขี้ขยขําขี้คือได้โลกียะตัวเองขยําขี้ไปตลอดชีวิตคิดออกมานเป็นการปั้นเพชรออกมาให้คนอื่นเอาไปคนอื่นได้ไดเพชรไป คนอื่นไปปั่นไปคนอื่นเราไปทําแล้วเขาก็ได้ใช่ไหมเขาก็เลยได้เพชรปั่นเพชรมาให้คนอื่นนะปั่นความคิดนี่แหละปั่นทฤษฎีหลักการอะไรแล้วมาก็แล้วแต่คนอื่นก็ไปทําได้ได้เพชรแต่ตัวเองไม่ได้แอมเพชรเลยในชีวิตได้แต่ขี่ขยําขี่อยู่คุณลองคิดดูสิคนอย่างนั้นเห็นแล้วมันจะน่าสมเพชขนาดไหนบอกโทษคุณเลย เป็นคนปั่นเพชรไปให้คนอื่นแต่แท้คนอื่นได้เพชรไปแอมไปเไปสเวยไปใช้ไปอาศัยแต่ตัวเองอาศัยอยู่กับกองขี้ขยำขยี้อย่างนั้นแหละอยู่ในโลกโล ก, กิยะอยู่เงนินมีเยอะนะทุกวันนี้ยังซ้อนเชิงเยอะนะในโลกของโลกุตรานในโลกของธรรมนี่ก็ตามมันพูดใดดับระงับ นี่ก like well, ็เหมือนกันในสูตรที่2นี so ่บอกว่าความเกิดความดับแห่งทุกเนี่ยความดับความระงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งตาหูเป็นต้นเหล่านั้นคือความดับแห่งทุกมันก็คล้ายๆกันกับไอชื่นชมหรือเพลิดเพลินเนี่ยดับหรือระงับตั้งอยู่ไม่ได้แห่งตาหูเป็นต้นเหล่านั้นคือความดับแห่งทุกความระงับแห่งโรคความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งความแก่และความตายถ้าพาซื่อเป็นดับระงับตาหูมันก็ต้องเป็นนั่งสะกดจิต พราะมันถึงเข้าใจแล้วอาตมาถึงเห็นใจเขานะเห็นใจคนที่เขาอ่านพระไตรปิฎกแล้วเขาก็ต้องเน้นไปเน้นทางนี้แน่นอนเลยอ๋อเพราะฉะนั้นความดับระงับแห่งหรือตั้งอยู่ไม่ได้แห่งตาหูเพราะฉะนั้นก็ถึงดับตาดับหูระงับตาระงับหูแล้วก็ระงับรูประงับเสียงระงับอะไรไปหมดนั่นคือความดับแห่งทุกข์มันก็ตรงตรงเงี้ยเขาก็พาซื้อเขาก็ดับเลย ตามาเห็นรูปหูมาให้ได้ยินนะแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะต้องไปมีญาณปัญญามีความฉเฉลียวฉลาดแจ้งในความจริงสัจจะข้างในโอ้พอสะกดจิตได้สนิท ด, ดีมันก็ไม่ฟุง้งไม่ส่านไม่คิดไม่นึกนอยู่ในใจที่จริงมันก็เป็นธรรมารมนะแม้ว่าไม่ได้ยินเสียงแม่ไม่เห็นรูปแม้ได้แม่ได้กลิน่นไม่ได้รส ไม่ได้สัมผัสนอกแล้วข้างในเวลานั่งหลับตาเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นธรรมารมณ์เป็นอารมณ์ที่ทรงอยู่ทรงอยู่ในอะไรก็คิดก็ น, นึกอะไรตรายๆไปมันจะเป็นอุปทานเป็นมโนโมยอัตตาไม่จะเป็นปั้นเป็นรูปหรือเป็นอรูปมยอัตตาเป็นอรูปมยอัตตาเป็นอารมณ์ที่ไม่มีรูปไม่มีร่างอะไรเลยนะอรูปมยอัตตาแล้วก็ น, นึกคิดอะไรต่อปั้นอุปทานอะไรของตัวเองไปอีกได้หลายสารพัด ได้มากมายเพราะฉะนั้นถึงพวกนี้ถึงไปปั้นอารมณ์แห่งนิพพานเป็นแบบไม่มีรูปว่างลงหรือไม่ก็อสัญญีมืดมืดจะไม่รู้ไม่มีอารมณ์เลยซ้ำไม่มีธรรมอารมณ์เลยซ้ําถ้ามีอารมณ์หรือมีธรรมอารมณ์รู้เวทนาสัญญาสังขารเจตสิกทํางานแล้วเรียกมันรวมลงไปว่าเป็นวิญญาณธาตุหรือจิตวิญญาณหรือธาตุรู้ก็รู้ก็รู้สึก รู้ว่าโอวันว่างอย่างนั้นว่างงี้คำว่าว่างนี่นะเป็นภาษานี่นะไปปั้นความว่างไว้แล้วเราก็รู้สึกอารมณ์ว่างๆนั้นมันเป็นอรูปะมยอัตตาอัตตาที่ปั้นว่างไว้ในช่วระยะนั้นว่างๆๆได้เราทให้มันต่อเนื่องให้มันดำนนนานฝึกฝึกจนได้อารมณ์ว่างๆนั้นก็ได้ว่างโอ้ยว่างคนอื่นไม่รู้ด้วยรอกว่าง แล้วมันก็เป็นอารมณ์ว่างๆอย่างที่เราปั้นอัตตาเป็นอัตตาชนิดหนึ่งแล้วก็นั่งอยู่นั่นาว่างเนปั้นให้ในนานๆติดต่อไปเป็นวันเป็นหลายวันห้าวันเจ็ดวันอะไรก็ตามใจก็ปั้นได้สาเร็จเรียกว่าอรูปรมยะอัตตาปฏิลาภ โ, โอ้ล่าของเราแล้วนาที่เรามีอรูปรมยอัตตาเราได้ <c oughs> ได้อัตราชนิดหนึง่งแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาได้อัตราชนิดหนึง่งสร้างสิมันไม่มีอารมณ์อะไรมาแสกแสงมันก็ว่างๆอยู่งั้นโล่งๆโอ้หมดสบายโล่งสบายนะหรือจะให้มันมีแสงให้มันมีสีก็มีก็อุปทานปั่นแสงปั่นสีไป ตาไม่มีแล้วจริงๆไม่มีแสงไม่มีสีอะไรหรอกตาไม่ได้เห็นอะไรหรอกแต่ก็ปั้นอายตนะภายในปั้นอายตนะภายในให้มันเป็นเป็นอย่างนั้นเป็นอรูปะมยะอัตตาถ้ารูปะมยะอัตตาเพราะเป็นแสงนี่นะเป็นแสงเป็นสีนี่เป็นเป็นเป็นมโนมยะอัตตาแล้วเป็นรูปที่ปั้นสำเร็จด้วยจิตแล้วแสงสีนี่เป็นรูปเป็นสีละเป็นรูปเป็นสีละเป็นแสงแล้ว มันถ้าไม่เป็นรูปเป็นสีเป็นแสงอะไรกําหนดว่าอย่างนี้เราคือความว่างก็ว่างๆจึงเรียกว่าอากาศานัญจายตนะถ้าจะมีรูปร่างมีอะไรขึ้นมามันก็เป็นรูปเป็นร่างแต่มันเป็นอัตตาเป็นฌานแบบฤษีเป็นฌานชนิดที่เรียกว่ามันละเอียดแล้วมันสุขุมประณีตเป็นอากาศเป็นวิญญาณัญญาตนาหรือไม่มีอกินจัญญาจตนาอย่างที่เขาหลงว่าไม่มีนะแต่เราอาตมาอธิบายไว้แล้วในหนังสือทางเองเราว่าอกินจัญญาจตนาต้องรู้ว่า อะไรที่หมายจะให้ไม่มีอะไรที่มันจะต้องมีอยู่ตามสัจจะของมันที่ยังจะไม่พ้นรูปนามขันห้าความรู้สึกก็คือความรู้สึกสัญญาการกําหนดรู้ก็คือความกําหนดรู้สังขารคือความปรุงก็ปรุงจะไม่ปรุงไม่สังขารอะไรมากมายปรุงแต่แค่ตักกะวิตั ก, กะปรุงแต่แค่ที่เราจะกําหนดรู้กําหนดเข้าใจมีตักกะมีความดํารินึกคิดก็คิดแต่แค่คิดรู้รู้ว่าอะไรคืออะไรเปรียบเทียบกันก็แค่นั้น เราก็จะเข้าใจสภาพพวกนี้ได้ลึกซึ้งเพราะมันไม่ใช่ความพาซื่อที่จะไปทะลวงหูทะลวงตาหรือว่าแม้ด้ที่สุดอัตตารเราไปปั้น ป, ปันอะไรอยู่เท่านั้นไม่ใช่ของพระเจ้านั้นเป็นปกติธรรมดาชนธรรมดาเรียนรู้สิ่งที่เป็นกิเลสตัณหาประทานชัดๆนะเอาเรื่องของตาหูนี่ท่านมีอีกหลายสูตรเดอ่านลุยไปเลยนะท่านสมิธิกราบทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์พูดเจริญคำที่กล่าวกันว่ามานมานนั้นด้วยเหตุเพียงเท่าไรจึงชื่อว่ามานหรือบัญญัติคำว่ามานได้พระผู้มีพระภาคตรัสต่อว่าดูก่อนสมิทธิในที่ใดมีตามีรูปมีความรู้แจ้งทางตาอันนี้แปลมาจากจักขุวิญญาณมโนวิญญาณนะ มีรูปมีความรู้แจ้งทางตานี่แปลมาจากภาษาบาลีว่าจักขูวิญญาณมีความรู้แจ้งทางตามีธรรมะที่พึงรู้แจ้งด้วยความรู้แจ้งทางตาทีนี้มีธรรมะที่พึงรู้แจ้งด้วยความรู้แจ้งทางตาในที่ใดมีหูมีเสียงก็เหมือนกันแหละนะมีมีเสียงก็คือสิ่งที่ได้ยินด้วยได้หูมีรูปก็สิ่งที่เห็นด้วยตา แล้วก็มีความรู้แจ้งทางหูมีธรรมะทิ่์พึงรู้แจ้งโดยความรู้แจ้งทางหูเหมือนกันนะหรือแม้ใ้ที่สุดทางหูทางลิ้นทางทางจมูกทางกายจนกระทั่งถึงทางใจถึงทางใจเหมือนกันนะทวารทั้งหก็ซ้ากันนะว่าในที่ใดมีตามีหูมีรูปมีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจ ที่นั่นก็มีรูปมีรถมีกลิ่นมีเสียงมีสัมผัสมีความรู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันมีธรรมะที่พึงรู้แจ้งเลยโดยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันไปทั้งหมดนะในที่นั้นย่อมมีมารหรือมีการบัญญัติว่ามารได้เพราะมารอยู่ที่ไหนสรุปง่ายๆมารอยู่ในทวาวรทั้งห มารอยู่ในทวารทั้งหกสรุปดูก่อนสมิธในที่ใดไม่มีสิ่งเหล่านั้นในที่นั้นย่อมไม่มีมารไม่มีการบัญญัติว่ามารได้อีกแหละเพราะบอกว่าในที่ใดไม่มีสิ่งเหล่านั้นคือไม่มีหูไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายไม่มีใจนี่ะช่ไหมในที่ใดไม่มีสิ่งเหล่านั้นในที่นั้นย่อมไม่มีมาร ในที่ใดไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจในที่ใดไม่มีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใช่ไหมในที่นั้นไม่มีมารนั่นคือตัวปรินิพานพอบอกปรินิพานสูงสุดถึงอนุปิเสสานิพานธาตุพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้สุดอย่างเงี้ยเราก็เลยไปพาซื้อไม่รู้ว่าในท่านตรัสนั่นน่ะมันจริงเมื่อปรินิพานแล้วมันไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอนุปิเสสานิพานธาตุแล้ว ตาตาก็ถลนทิ้งละลายไ ป, ไปเป็นดินน้ำไฟลมหูก็เนา่าเนื้อตัวจมูกลิ้นกายใจเลิกตอนนั้นป ร, รินิพานแล้วสูงสุดจริงไม่มีทุกข์แม้แต่ทุ ก, กข์สภาวะไม่ไม่ีแม้แต่ทุกข์กั้นไม่มีอะไรอีกแล้วตาหูจมูกลิ้นกายกม็มีเวทนาสัญญาสิ้นขานสังนขันวิญญาณแยกสลายดับสิทธิ์สนิทอย่างนั้นไม่มีมารเลยจริงๆทุกข์ แต่ตอนสะัปปะทิเศสนิพานละ่ะมารขนาดไหนล่ะมารเรียกว่ามารขนาดไหนมารในขนาดที่เรียกว่าเป็นกิเลสเป็นตัณหาประทานเป็นผีเป็นมารในระดับนี้แล้วเราจับตัวมารเหล่านั้นที่เกิดจากตาแล้วก็มีแฝงอยู่กับตาดู อ, อย่างรูปเกิดจากเกิดที่หูแฝงอยู่กับเสียงเกิดที่จมูก แฝงอยู่กับกลิ่นเกิดที่ลิ้นแฝงอยู่กับรสเกิดที่สัมผัสกายสัมผัสใจแฝงอยู่ตรงนั้นแหละมานอย่างงั้นเราจับมันได้ไหมรู้จักมารไหมแลดับมารได้ตั้งแต่ตอนนั้นแหละตอนที่เป็นเป็นนี่แหละยังมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังมีรูปอยู่นี่แหละจะดับมานเหล่านั้นได้ได้เป็นขั้นตอนอนิพานหนึ่งซะก่อนเป็นสัุปะทิเสสนิพานให้ได้ ถ้าเราเห็นได้นิพพานสัพพติเสสานิพพานแล้วนะแล้วเราจะรู้ความจริงว่าเรายังไม่หมดรูปนามขันหะยังเป็นทุกขขันอยู่ยังไม่อนุปาติเสสานิพพานธาตุและเราก็ยังไม่ตั้งใจจะปรินิพพานเราก็จะรู้ว่ายังมีขั้นตอนที่เหนือกว่านั้นอ่าไปขั้นตอนที่เหนือกว่านั้นอีกขั้นนี้เป็นเพียงอนุตรจิต เป็นเพียงสมาหิตจิตเป็นเพียงวิมุตตจิตยังมีจิตยังมีเจตสิกยังมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังมีอยู่มั่นเป็นเพียงขั้นมีเป็นอนุตรจิตเราเดยนเจโตปริยาณ16กมาแล้วเป็นจิตที่เหนืออะไรหมดแล้วมีประโยชน์คุณค่าอยู่เป็นสมาหิตจิตอย่างแข็งแรงตั้งมั่นไม่ห ว, วัน่นไหวไม่ทุก เป็นวิมุตต์ในระดับสะอุปาทิเสสวิมุตต์หรืออุปาทิเสสานิพานเป็นวิมุตต์เป็นนิพานในระดับนี้เรามีแล้วแน่นอนเที่ยงแท้ด้วยเราก็รู้ว่าเป็นนิพานในระดับนี้ยังไม่ดับตาหูจมูกลิ้นกายยังไม่สลายมันก็เป็นนิพานของระดับนี้แล้วเราก็แน่ใจเลยว่าเมื่อจิตวิญญาณของเราเป็นอย่างนี้แล้วเราจะถึงโอกาสของอนุปาะทิเสสานิพาน แน่นอนในโอกาสข้างหน้าเมื่อใดเมื่อหนึง่งแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงและเมื่อเรามีสัพพ a t i s ส s นิ n i านนั้นแหละเราจะเข้าใจอนุปา t ิเสส a ิ n พา น, านหรือปรินิพานได้อย่างมั่นใจแต่ตอนนี้ยังไม่เป็นตอนนี้ได้แค่สุปพ a t i s e ส a a n i p า n ไม่ใช่ยังยังไม่ถึงไม่ใช่ยังไม่เป็นเป็นก็ได้และรู้ว่าเป็นได้ทันทีเลย เป็นอนุปาทิ่เสสานิพานธาจะว่างศูนย์จบไม่มีอะไรเกิดอีกไม่อย่งลงสู่ขันไม่มีอะไรต่ออะไรเนื่องเราจะชัดเจนอีกเลยแต่เราก็รู้ว่าสิ่งที่ยังไม่หมดสนิทยังสิ่งที่เหลืออยู่จึงเรียกว่าสัอุปาทิสัอุปาทิแปลว่าสิ่งที่เหลืออยู่สอัอุปาทิอุปาทินี่ก็คือขันห้าหรือสภาพที่ยังไม่หมดจบเสสับแล้วว่าเหลือสัอุปาทิเสสนะนะ มันยังมีอยู่เป็นสิ่งอาศัยเป็นต้นเป็นเขาเป็นรากเป็นเง้าที่มันยังมีรากมีเง้ามันยังมีสิ่งที่ยังป ร, รุงแต่งกันอยู่ตามสภาพเราก็เข้าใจให้มันตลอดเพราะฉะนั <izz> ้นจะไม่มีมารในระดับสอุปาทิเศ ส, สนิาพานเราก็รู้แจ้งว่าไม่มีมารแล้วในดีแหละในตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันยังเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่แต่มารในระดับสัพพะทิเสสนิพานไม่มีแล้ว ดับมารได้แล้วฆามานได้แล้วมานไม่เกิดอีกผีไม่เกิดอีกกิเลสไม่เกิดอีกกิเลสตะนาอุปทานไม่เกิดอีกเราก็ต้องรู้ให้ชัดส่วนมันจะถึงขั้นที่อนุปาทิเสสนิพานเราจะยานตอนนั้นนะใครถึงคุณมีเหตุปัจจัยอะไรก็ได้เหตุปัจจัยที่หยาบหยาบเราสัอุปาทิเสสนิพานบุรีสัอุปาฏิเสสนิพานเล่าสัอุปาฏิเสสนิพานริบสติก เสาปฏิเสสนิพพานของที่เราเคยติดเสาปฏิเสธเพชรพลอยอของอะไรที่เราเคยติดเคยหลงเคยมีรสเคยเพลิดเพลินในนสิ่งนั้นเคยยชื่นชมในสิ่งนั้นเคยเป็นทุกข์ในสิ่งนั้นแต่ก่อนเราไม่รู้ทุกข์เพลิดเพลินมันเพราะมันได้แล้วมันเพลิดเพลินบําเริ่มเพลิดเพลิ น, ล น, ลนตอนหลังมาแ ม, ม, ม้มันได้หรือไม่ได้เราก็เฉยเฉอุเบกขาเวทนาอุทกกรมสุขคุณก็ต้องรู้ของคุณ อย่างมั่นคงเที่ยงแท้ไม่แปรปรวนเป็นหนึ่งเดียวไม่กลับกลอกคุณก็ต้องรู้ของคุณในเหตุปัจจัยอย่างที่ยกตัวอย่างง่ายๆเป็นลาบเป็นยอดเป็นสันเสริญเป็นรูปรลกดินเสียงสัมผัสอะไรมันก็ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านั้นแหละมันจะจป็นรู้ได้โดยทวทวารอื่นไม่มีหกทวารใหญ่นี่แหละมันจะรู้ได้อย่างนี้แค่นั้นแหละแล้ววันก็แล้วคุณ ก, ก, ก็อ่านจิตวิญญาณออกว่าคุณไม่มีทุกข์ไม่มีสุข ไม่มีจริงๆคุณไม่มีทุกข์ไม่มีสุขอะไรกับมันมานคืออย่างไรคนก็รู้ว่ามันไม่มีแล้วมานไม่เกิดอีกมานไม่เกิดอีกอเศรษฐกิเสสษฐนิพนานจริงๆมันคงเที่ยงแท้ได้เหตุปัจจัยที่อธิบายยกตัวอย่างไปนั่นแหะใครมีใครก็อ่านอาการอารมณ์อ่านจิตอ่านวิญญาณของตัวเองนะอันนี้เรียกว่ามานต่อมาว่านรกนรกนะนรกที่ตาหูเป็นต้นเมื่อกี้นี้เนี่ย ตาหูเป็นต้นมีที่ไหนมารมีที่นั่นทีนี้นรกที่ตาหูเป็นต้นดูกวามพิสูจ์ทั้งหลายเป็นลาบของท่านทั้งหลายท่านได้ดีแล้วขณะเพื่อการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์อันท่านได้รับแล้วนรกอันชื่อวันเนืองโดยอายตนะสำหรับถูกต้องอารมณหกชนิดเราได้เห็นแล้ว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 ก็ได้ฟังได้ดมได้ลิ้มได้ถูกต้องได้รู้แต่สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจไม่ได้ฟังไม่ได้ดมไม่ได้ลิ้มไม่ได้ถูกต้องไม่ได้รู้สิ่งที่น่าปรารถนาน่าใครน้าพอใจอย่างนั้นและเรียกวันนรกี่คำต่างของพระเจ้ามีอยู่ตอนนี้สิที่น่าพอใจมันคู่กับกสวรรค์สวรรค์ที่ตาที่หูเป็นต้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเป็นลาบของท่านทั้งหลายนะ ท่านได้ดีแล้วขณะเพื่อการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ท่านได้อันท่านได้รับแล้วคือได้นรกท่านก็บอกว่าเป็นลาภของท่านทั้งหลายท่านได้ดีแล้วขณะเพื่อการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์อันท่านได้รับแล้วนรกอันชื่อว่าเนื่องด้วยอายตนะนรกอันชื่อว่าเนื่องด้วยอายตนะมันอยู่ที่อายตนะมันอยู่ที่ทวารตาหูจมูกดินกายแล้วก็ไปปรากฏข้างในเรียกวายตนะ มีรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสเป็นต้นนะเราได้เห็นแล้วนะในนรกนั้นบุคคลย่อมเห็นรูปรูปใดๆด้วยตาก็เห็นแต่รูปที่ไม่น่าปรารถนาก็เห็นแต่รูปที่ไม่เห็นรูปที่น่าปรารถนาเห็นแต่รูปที่ไม่น่าใครไม่เห็นรูปที่น่าใครคือมันไม่พอใจอมันชังมันไม่น่าได้มันไม่น่ามีไม่น่าเป็นเลยมันก็เป็นนรก จะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเมื่อกี้อ่านไปแล้วสวรรค์มันก็ตรงกันข้ามกันเท่านั้นถือว่าเป็นลาบนะที่เห็นนรกเราถือว่าเป็นลาบนะเพราะฉะนั้นใครบอกว่าเห็นแล้วทุกโอ้ทําไมมันทุกข์จังดีเป็นลาบของเราแล้วเห็นทุกเมื่อวานเนี่ยคุณวิลาวันถามบอกโอ้ทําไมเดี๋ยวนี้มีทิฉันนี้ทุกข์จังเลยแล้วยิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งทุกข์ถูกแล้วโอ้มันแคร์คนอื่นแต่ก่อนมันไม่แคร์แล้วทั้งหัวมันเป็นไร ใช่แล้วแต่ก่อนมันใจดําเดี๋ยวนี้มันแคร์เขาอย่างงอานงี้เนี่ยวามาวาเนี่ยตะมาก็ให้ความเข้าใจแล้วบอกไม่ผิดทางถูกทางแล้วเป็นลาบของเราแล้วหนอนี่เอาสูตรนี้อ่านให้ฟังนี่แจ๋วเลยมาเจอสูตรนี้ชาไปไม่ไ ป, ไปชมารอซะแล้วนั่นมันชัดนี่แหละเรียกว่าตาหูทิพย์เรารู้นรกเรารู้สวรรค์สวรรค์ น, นรกมันไม่ได้นอกไปจากจิตวิญญาณไม่ได้นอกไปจากทวารทั้งหกสวรรค์ น, นรกอยู่ที่ทวารทั้งหกนี่แหละ นรกก็อยู่ทวารทั้งหกนี่รู้นรกรู้สวรรค์ให้ชัดสิ่งใดไม่น่าพอใจไม่น่าใครเราไม่น่าปรารถนาแล้วเราก็ผักมันก็ทุกข์สวรรค์ก็ตรงกันข้ามกันเป็นลาภของท่านทั้งหลายแล้วท่านใดดีแล้วคณะเพื่อการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์อันท่านได้รับแล้วสวรรค์อันชื่อว่าเนืองด้วยอายตนะสําหรับถูกต้องอารมณหกชนิดเราได้เห็นแล้วในสวรรค์นั้น บุคคลย่อมเห็นรูปได้ๆด้วยตาก็เห็นรูปที่น่าปรารถนาไม่เห็นรูปที่ไม่น่าปรารถนานะไม่เห็นสิ่งที่มันตรงกันข้ามกันแต่ได้เห็นสิ่งที่น่าปรารถนาก็เรียกมันว่าสวรรค์เห็นแต่รูปที่น่าใคร่ไม่เห็นรูปที่ไม่น่าใคร่เห็นแต่รูปที่น่าพอใจไม่เห็นรูปที่ไม่น่าพอใจอื่นก็เหมือนกันเขาฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องโพธพระรู้ธรรมะ ก็ได้ฟังได้ดมได้ลิ้มได้ถูกต้องได้รู้ในสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่ไม่น่าพอใจไม่ได้ฟังไม่ได้ดมไม่ได้ลิ้มรสไม่ได้ถูกต้องไม่ได้รู้ในสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจได้ได้สิ่งที่เรามีอุปทานไว้ไอันนี้่มันต้องน่าได้น่ามีน่าเป็นมันได้จริงๆแฮะโอ้รูปนี้น่าได้ได้ได้ลิ้มได้ได้ได้เห็นโอ้เสียงนี้น่าได้นะได้ได้ฟังเสียงนี้ ไอ้เสียงที่บอกไม่นี่ไม่น่าจะได้ยินเลยไม่น่าได้ฟังเลยมันก็ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังก็เป็นสวรรค์ของเราสวรรค์หอห่อนี่แหละสวรรค์หอห้อมันเป็นสวรรค์ที่โอ้ชอบใจทุกคนผ่านมาทั้งนั้นทุกคนได้เจอนรกเจอสวรรค์นี้แต่ไม่รู้ตอนนี้รู้ขึ้นมานี่แหละเป็นลาภของเราแล้วแม้เห็นนรกในตัวเรานั้นแเละชัดชัดโอ้นี่เองคือทุกขพระพุทธเจ้าสอนทุก ยิ่งเห็นเป็นนรกดีสินั่นแหละเห็นทุกอริยสัจละตามหาเหตุมันให้ได้มันก็คือกิเลสตัณหาอุปทานไปมีกิเลสไปมีตัณหาไปมีอุปทานตัวนั้นไว้นั่นแหละตัวนั้นแหละทุกตัวนั้นแหละเหตุแห่งทุกหาวิธีดับมันเสียหาวิธีปลดปลงมันเสียนั่นแหละเราเดินเข้าหาอริยสัจแล้วเป็นสวรรค์ที่ยิ่งมันหลวงบอกแล้วไปไปชื่นชมอยู่ไปเพลิดเพลินมันอยู่เพลิดเพลินในรูปเพลิดเพลินในรสเพลิดเพลินในกลิ่นในเสียงในสัมผัสนอกสัมผัสใน ไปเพลิดเพลินหรือไปชื่นชมอภินันทะที่พเจอมาก่อนที่อ่านมาก่อนนัานแหละตัวนั้นแหละท่านจึงแต่ยืนยันตัดเอาไว้ว่าเราย่อมกล่าวว่าไม่พ้นไปจากทุกได้ผู้ใดยังเพลิดเพลินผู้ใดยังชื่นชมในทุกเหล่านั้นอยู่โดยไม่รู้ว่ามันเป็นทุกผู้นั้นก็แน่นอนอผู้ที่ไปหลงไหลได้ปลื้มอยู่กับรูปรสติเสียงสัมผัสที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้น ก็เท่านั้นเองนีฟังแล้วก็สั้นๆ น, นี่เรียนจบหลักสูตรอรหันต์กันแล้วนะนะเรียนจบหลักสูตรอรหันต์กันแล้วแต่โสดาได้ยังเรียนจบหลักสูตรของปีที่สี่แล้วนะคําว่าสมณะสี่เรล่าจบหลักสูตรของปีที่สี่จบปริญญาแล้วแต่ปีหนึ่งได้ยังโซดา ได้ปีหนึ่งได้ปีสองอยังได้จริงๆเพราะฉะนั้นตำรานี่มีกันแล้วก็เข้าใจกันผิดๆเป็นเพี้ยนเมื่อคนไม่มีของจริงนี่นะก็จะอธิบายไปต่างๆนาน า, นาอธิบายรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอธิบายไปอธิบายรูปรสในขณะที่นั่งหลับตาอธิบายรูปรสกลิ่นเสียงในขณะที่ปฏิบัติจริงในขณะที่มีสัมผัสทางตาหูจมูกลิางกายใจแล้วก็อานาการออกเลย ทันทีได้ยน่นย่อเข้าไปรู้รูปนามรู้อาการลิงคะนิมิตรู้มันก็อ่านออกเห็นอาการนั้นชัดๆฟังอุทเทศนี่ไปแล้วแล้วก็เอาไปเอาไปพิสูจน์เอาไปเห็นรูปเห็นนามอย่างแท้จริงของตนเองเกิดยาของตนเองเป็นราบของเราเองเป็นลากของเราแล้วนาะที่เรามารู้นรกรู้สวรรค์ในยะเวหลงเพอเดีวสวรรค์เป็นมโนมยอัตตาปานโอเมืองสวรรค์มีสานโนด่า มีปลาดอกป ร, ริชาติกลิ่นหอมมีเทวดาไม่ใส่เสื้อแล้วมีสังวานด้วยนะลอยมานังฟ้าไม่ใส่เสื้อก็เขาวาดอย่างนั้นอะเต็มไปหมดใช่ไหมเราในผนังวัดนะ่ะมันตลกนะเสื้อไม่ใส่แล้วแต่งตัวได้มีเครื่องสังวานมีเครื่องอะไรต่ออะไรเนื้อตัวนี่เดี๋ยวดู ด, ดูดูหนังเรื่องอมหาพรต า, านี่เห้ไม่เล่านนขนาดเป็น พระเจ้าแผ่นดินเป็นมหาราชเป็นอะไรนี่เสื้อไม่ใส่เราจะมีสังวารลุ่มลามไม่หมดเลยมีเครื่องประดับตกแต่งเสื้อไม่ใส่แล้วนะขนปุกปุยเต็มหน้าอกเลยเสื้อผ้าไม่มีดีแต่ว่าผู้หญิงเขาไม่ให้ถอดแล้วก็ใส่มันก็ยังรูปวาดของไทยนะผู้หญิงก็ไปใส่เสื้อเส้นได้นี่มแมมันเป็นไทยส น, นอยแลย้จะแต่งแบบนั้นเลยผู้ชายไม่ใส่เสื้อแต่ผู้หญิงใส่เสื้อซะ ถ้าไม่ใส่เสื้อก็จะเป็นอย่างนี้นั่นแหละเราก็ไปคิดไปนึกไปฝันเราตามอะไรก็แล้วแต่อุปทานไปยึดปองมันจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไปนั่งปั่นอยู่ในโลกโลกโลกอีกโลกหนึ่งปั่นจนเป็นรูปเป็นมโนโมยอาทตาสุมเม้วยจิตมีสาอนุดาษน้ำใสกําหนดใสขนาดเลยนะใสยังไม่มีในโลกนี้มันก็กําหนดดังนั้นเองอะ่ะมันสมมติว่ามันใส ว่ามันเย็นชื่นใจเย็นไม่เหมือนของโลกไม่เคยมีก็คุณเป็นกำหนดเอาเองว่าอย่างของคนคุณกําหนดว่าอย่างเปนของโลกไม่มีคุณก็ไปจนได้จนสําเร็จมันเหมือนมันรู้สึกจริงๆมันมีจริงๆโอ้ยชุ่มชื่นจริงๆไม่มีในโลกนี่หาไหนไม่เจอหรอกใช่เจอที่คุณนั่นแหละเพราะคุณเป็นกำหนดนันไว้เองแต่คุณก็ได้ของคุณเองมันก็เพลิดเพลินมันอร่อยของคุณเองนี่เป็นต้นนะไอ้นรกสวรรค์อย่างนั้นนั่นนรกที่มันเป็นปั้นเป็นรูปเป็นตัวจนกระทั่งไปเป็นรูปที่สําเร็จด้วยจิต เรีว่ามโนมริยัตตาจริงๆแล้วมันไม่ต้องไปปั้นไปปั้นเลยเลยเถิดอะไรหรอกนรกก็คืออาการอย่างนั้นสวรรค์ก็คืออาการอย่างที่ท่านตรัสนท่อนนี้แหละเวียนว่ายตายเกิดทีนี้เอาให้จบอันนี้ซะนะเดี๋ยวจะได้พ้นเรื่องนี้เอาเรื่องนี้ตบไปอีกที่จึงมันหมดเรื่องของตาหูจมูกดินกายแล้วเวียนว่ายตายเกิดดี่ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเปรียบเสมือนท่อนไม้ที่โยนขึ้นไปในอากาศ บางครั้งก็ตกลงทางโคนบางครั้งก็ตกลงทางกลางบางครั้งก็ตกลงทางปลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัญหาเป็นเครื่องผูกมัดวิ่งไปท่องเที่ยวไปอยู่บางครั้งก็ไปสู่โลกอื่นจากโลกนี้บางครั้งก็มาสู่โลกนี้จากโลกอื่นดูกอดพิสูจ์ทั้งหลาย สงสารสงสารนี่คือการเวียนว่ายตายเกิดสังสาระนี่สงสารนี้มีที่สุดอันตามไปไม่พบไม่ปรากฏเงื่อนเบื้องต้นเบื้องปลายของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกมัดวิ่งไปท่องเที่ยวไปอยู่ควรเพื่อจะเบื่อนหน่ายคลายกำหนัดในสังขารทั้งปวงควรที่จะพ้นไปเสีย นี่เป็นคําแนะนําของพระพุทธเจ้าเป็นคําแนะนําว่ามันก็โลกนี้มันก็วนเวียนอย่างนั้นน่ะเปรียบเสมือนต้นไม้ที่โยนขึ้นไปในอากาศโยนมาให้กันไปบางทีมันก็ตกลงมาทางโคนบางทีมันตกลงมาทางกลางบางทีมันตกลงมาทางปลายมก็แค่นั้นเองน่ะไม่โลกนี้สังสาระนี้มีอยู่เขาแค่แค่นั้นมันโยนมาขึ้นไปมันก็ไปไม่เที่ยงมันก็จะลงมาทางไหนก็ตามแต่เหตุปัจจัยของมัน มีแรงเบี่ยงหลายรอบมัง่งแล้วรอบไหนมันไปตกหยุดข้างไหนมันก็ตกลงมาจะตกลงทางปลายลงโค ล, ลงกลางลงยังไงก็ถัดมันก็อย่างนั้นกลางมัง่งครึ่งคึ่งกลางๆส่วนนั้นส่วนนี้อะไรทรัพทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นผู้มีอวิชชาผู้มีความโง่ความไม่รู้เนี่ยเป็นเครื่องกั้นอยู่มีตัณหาเป็นเครื่องผูกมัดอยู่ก็จะวนเวียนอยู่นะั้นวิ่งไปท่องเที่ยวไปอยู่ก็วนอยู่งั้นนะ่ะ บางครั้งก็ไปสู่โลกอื่นจากโลกนี้บางครั้งก็มาสู่โลกนี้จากโลกอื่นหมายความว่าความวนโลกนี่คือความวนบางทีก็วนอยู่อย่างเก่าบางทีก็วนไปหาโลกอื่นคือจากโลกนี้ไปหาโลกนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมีอะไรที่จะบอกว่าเอออย่างนี้ไม่มันแล้วไม่อร่อยแล้วเลิกจากนี้ไปหานี้แล้วก็ไปวนออกไปบางทีก็วนออกมาจากไหนก็ไม่รู้เข้ามาหาอันที่เคยเป็นเคยมีอยู่ โลกนี้นี่คือโลกที่เคยเป็นเคยมีมาทั้งนั้นโลกอื่นก็คือหมายความว่าแปลกไปเปลี่ยนไปสลับไปสลับมาอยู่อย่างนี้ถ้าไม่หนีจากโลกีย์รถหรือโลกีย์โลกโลกโกธรรมดาเนี่ยโลกโลกียะนี่เสร็จสมสมเนี่ยไม่พ้นไปจากนี้มันก็เปลี่ยนโลกโลกอื่นตื้นๆน่ะโลกอื่นคือแปลกไปจากอันนี้เดิมเนี่ยเปลี่ยนไปจากอันนี้ไปหรืออันอันโน้นมามันก็ มีทิศทางเท่านั้นเองเหมือนบอกทิศทางนั้นเอจากนี่ไปหรือจากโนนมาวนอยู่น้นเป็นสังสาระนะสงสารนี้มีที่สุดอันตามไปไม่พบมันไม่มีที่สิน้นไม่มีที่สุดเหมือนเดียวบพระุทธเจ้าท่านตรัสรโลหิตรโลหิตรโ้หิตสนะโลหิตั์ตตะนะไนะปไม่มีที่สุดโลกอยู่ที่ไหนที่สุดแห่งโลกอยู่ที่ไหนพรุทธเจ้าบอกเออไปฮะไม่มีที่สุดแห่งโลกนะ สังสารหรือโลกนี่แหละสังสารก็คือความวนเวียนวนว่ายเวียนว่ า, ววาตายเกิดนี่แหละมีที่สุดอันตามไปไม่พบไม่ปรากฏเงื่อนไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนที่สุดที่เงื่อนของมันต้นอยู่ไหนปลายอยู่ไหนไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายของสัตว์ผู้มีอวิชชานะไม่ปรากฏเงื่อนไม่ปรากฏเบื้องต้นเบื้องปลายของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัหาเป็นเครื่องผูกมัด ค้นหาไม่เจอวิ่งไปท่องเที่ยวไปอยู่มันก็อยู่อย่างงั้นแหะท่องเที่ยวไปอยู่แล้วท่านก็ตัดต่อควรเพื่อจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสังขารทั้งปวงควรจะพ้นไปเสียควรจะพ้นใช่ไไอ้โลกโลกอย่างนี้โลกที่เป็นสังสารวัตรเป็นไอ้ที่วนเวียนอยู่อย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าจะบอกท่านไม่รู้ท่านก็บอกว่าท่านไม่รู้ไม่เห็นที่ต้นเงินต้นไม่รู้มันมีมาแล้วมันก็มีมาแล้ว แต่ท่านเห็นที่ปลายท่านดับที่ปลายได้ดับสนิทได้เลิกได้ละได้ล้างเลิกได้เกิดมาเมื่อไหร่ไม่รู้เราหลุดเราหลุดพวกออกมามาเป็นมนุษย์แล้วามาเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์อยู่แล้วเนี่ยท่อนแทงแห่งอวิชามาันมาพามาเป็นเนี่ยไม่รู้ว่ามันมาเมื่อไหร่อวิชามาเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ดับอวิชาาได้ดับท่อนปลายได้สนิทได้เลิกอวิชาไม่เกิดอีกไม่เป็นอีกไม่มีทุกข์อีก ได้ความจริงกรรมของเราเองกรรมกูเองกูเองเอวิชชาเองกูเองโง่เองมาตั้งแต่เมื่อไร่ไม่เห็นที่ต้นไม่เห็นเงื่อนต้นไม่รู้เมื่อไร่ไม่รู้เขาถามว่าเออแล้วเมื่ อ, อไร่อะไรมันพามาเกิดนะ่ะอวิชชาบอกเมื่อไรที่ไหนไม่รู้คุณไป็นอวิชชามาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เดี๋ยวนี้คุณมีละ่ะคุณไปเรียนรู้อวิชชาให้ชัดเหตุแห่งอวิชชาหารแห่งอวิชชาคือนิวรห้จากเหตุปัจจัยตางหูจมูกลิ้นกายใจ าลางให้สนิทล้างหมดแล้วคุณก็จะรู้ความจริงว่าอ๋อมันเป็นได้มันจริงได้พ้นทุกได้แล้วเจริญงอกงามเป็นคนที่มีคุณค่าประโยชน์จริงๆริเพราะงั้นเราจะรู้จักโลกรู้จักสังสาระรู้จักสงสารรู้จักวัตถะรู้จกกนกระทั่งไม่มีวัตตะไม่เกิดอีกไม่วนไม่เวียนอีกแล้วอย่างแท้จริงนั่ะเราวนเวียนอยู่กับเดี๋ยวเที่ยวไล่เที่ยวคือไปเอาไอ้นั่นมาเสพ เอาไอนี่มาเสพจะต้องไปยังงจะต้องไปอ ย, าอย่างงี้อยู่อย่างนั้นเอาหยุดไม่เป็นเราหยุดเป็นแล้วเราก็จะอยู่ที่ไหนก็ได้เดี๋ยวนี้เนี่ยยังหาคนไปขายของที่ร้านยังไม่ได้เพราะว่ากลัวมันจะถูกผูกหยุดไปที่ตรงนั้นผูกไว้ที่ร้านนั้นกลัวมันจะถูกผูกว่าตายละหว่าเราไม่ได้ออกไปตรงนั้นไม่ตรงนี้ผูกมัดไม่เอาใครมาผูกมัดเราไม่เอาไม่อยากไปทําไปอยู่ที่ตรงนี้ไม่ได้ไปไห น, นเห็นไหมมันยังดิ่นอยู่มันยังจะวิ่งโลหิตัส ตัที่จะต้องไปหาโลกอีกมันจะต้องออกโลกเข้าโลกเข้าโลกออกอะไรอีกมันอยู่ไม่ได้มันหยุดไม่ได้มันก็ธรรมดาแต่ใครหยุดได้เราโอ้เราเอาไปวางไว้ที่ไหนก็ได้เราหยุดที่ทไหนก็ได้มันจบสุดสูงแล้วอันนี้มันเป็นความจําเป็นอันนี้มีความสําคัญเราไม่ได้เดือดร้อนดิ้นรนไม่ต้องไปหาโลกอื่นมาบมเรออีกแล้วก็อยู่ตรงนี้ก็อยู่อยู่ตรงนั้นก็อยู่อยู่ที่นั่นก็อยู่เมื่อหยุดแล้วเมื่อสงบแล้วมันก็สงบมันก็ไม่ดิ้นไม่แสไม่หาอื่นนะค่อยๆหากันไป จนกว่าจะหยุดมีคนที่โลกหยุดมั่งโลกมันยังไม่หยุดมันยังดิ้นอยู่ก็หาอะไรยังไม่ได้เอาใครหยุดได้ก่อนก็อยู่ช่วยกันอยู่ไปทําไปฝึกไปนะบังคับกันก็ยากนะเพราะงั้นก็ต้องเอาเกิดเป็นที่เห็นได้ควรจะเป็นอะไรจะได้ทำอะไรกันได้ก็เอาเอาสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเอาแค่นี้ก่อน